สังวรห้าหนึ่งสีลสังวรสัมรวมในศีลสองสติสังวรสัมรวมด้วยสติสามยาณสังวรสัมรวมด้วยยานสี่ขันติสังวรสัมรวมด้วยขันติห้าวิริยะสังวรสัมรวมด้วยความเพียรประการแรกขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย มาทำความเข้าใจกับคำว่าสังวรเสียก่อนคำว่าสังวร น, นี้แปลว่าสํารวมระวังที่เป็นไปโดยมากหมายเอาการสํารวมกายวาจาใจในที่นี้ท่านจำแนกออกเป็นห้าคือหนึ่งศีละสังวรสํารวมในศีลสํา ร, รวมในศีลก็ได้แก่การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยโดยปราศจากโทษเป็นเหตุ ให้ใจไม่หวาดหวั่นต่ออะไรคอยรักษากิริยามารยาทให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเป็นไปโดยสมบูรณ์เป็นไปโดยสมควรแก่หมู่คณะที่ตนอยู่อาศัยเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นถ้าหากว่ามีความสำรวมระวังเรื่องกายวาจาแน่นอนที่สุดผู้นั้นจะอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข อ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าศีลสังวรก็คือว่าเราคอยสํารวมระวังอ่าสํารวมระวังในศีลคือไม่ให้ผิดศีลในทางกายทางวาจาเพราะสังคมของเราที่อยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทางสถานีวิทยุก็ดีหรือว่าทางสื่อมวลชนต่างๆหนังสือพิมพ์ก็ดีจะมีการประกาศออกมาคึกโครม ในวันวันหนึ่งมีการเบียดเบียนกันฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันคมลงเหงกันรังแกกันแล้วก็ตายกันรู้สึกว่าเป็นจํานวนมากที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะเราไม่มีการสํารวมระวังกันนั่นเองมีแต่การเบียดเบียนกันสังหารกันประหัตประหารกันแล้วอย่างนี้สังคมจะอยู่เป็นปกติสุขได้อย่างไรมันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นการที่เราสํารวมในศีล ก็เท่ากับว่าเรารักษาความเป็นปกติทางกายทางวาจาไม่ให้มันวิกลวิ ก, กาลหรือไม่ให้มันต้องวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆทางกายเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีคนเราเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีแน่นอนที่สุดสังคมก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและจะทาให้สุขภาพจิตของตัวเองนั้น มีสมรรถภาพดีขึ้นมีชีวิตชีวาและทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์มีอายุมั่นคืออายุยาวยืนนะมีอายุยาวยืนแต่ในทางตรงกันข้ามคนเราถ้าหากว่าเบียดเบียนกันด้วยทางกายวาจาและใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกายมีการข้าสัตว์มีการลักขโมยกันมีการประพฤติผิดประเวณีกัน แน่นอนที่สุดเราก็จะมีเวรมีภัยมากมีบาปมีกรรมมากมีทุกข์มีโทษมากและยิ่งไปกว่า น, นั้นจะทําให้เราอายุสั้นเพราะการที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นไปทําลายชีวิตของเขาอาชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตตาดธนาแล้วก็หวงแหนที่สุดฉะนั้นการที่เราได้ไปทําร้ายชีวิตเขาหรือไปทําลายชีวิตเข า, า, เขาก็เท่ากับว่าไปทําลายความสุขของเขา การไปทำลายความสุขของเขาอย่างนั้นแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องป้องกันต่อสู้อาจจะทำให้ผู้ทำลายนั้นต้องตายไปก็ได้หรือบาดเจ็บไปก็ได้นี่แหละเป็นทั่วเพราะการเบียดเบียนสัตว์ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้จัดไว้ในจุลกรรมสูตรอุปริปันนัตแห่งพระสุตตันตปิฎกว่าคนที่มีอายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์คนที่มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์ คนที่มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์ทรมานสัตว์คนที่มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่แรงไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์นี่ก็เป็นหลักที่ชี้ให้เห็นได้ชัดเลยว่าการฆ่าสัตว์นั้นทําให้อายุสั้นเมียดเบียนสัตว์ก็ทําให้มีโรคมากฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าเรามีศีลก็เท่ากับว่าเรานั้นรักษาสุขภาพรักษาพลานา ม, มัยทําจิตใจของเรานั้นให้ชุ่มชื่นเบิกบาน แล้วก็ไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยแก่กันและกันอืในทางวาจาเหมือนกันในกิจประจําวันของคนเรานั้นรู้สึกว่าเราจะติดต่อใช้วาจากันมากจะต้องพูดจะต้องคุยจะต้องกล่าวแนะนํำพร่ำสอนตักเตือนกันเป็นครูก็ต้องสอนนักเรียนนักเรียนก็ต้องตอบครูพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกลูกก็ต้องตอบพ่อแม่ต้องพูดกันอยู่ต้องใช้ปากอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในเรื่องการใช้ปากใช้คําพูดนี่แหละ ถ้าหากว่าเราใช้ไม่เป็นมันก็เข้าเนื้อเข้าตัวได้ประหัดประหารตัวเองได้ทําลายตัวเองได้ทําลายชื่อเสียงวงตระกูลของตัวเองได้ฉะนั้นเราจะต้องรักษาอคําพูดของเราให้ดีก็คือว่าจะต้องไม่พูดปลดจะต้องไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพอรเจอการที่เราพูดปดหรือพูดโกหกหลอกลวงพูดสอบเสียดเขายุยแยงกระแขงแย่เขา ทำให้เขาต้องน้อยเนื้อต่ําใจนีน้อยเนื้อต่ําใจหรือพูดจาแข็งกระด้างทําให้ฟังแล้วไม่เพเราะอาจจะพูดไปแล้วก็ทําให้ปากแตกก็ได้นี่ที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็เป็นสีนี่อันนี้มันก็มีพิษมีภัยเราจะต้องไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดเหลวไหลไร้สาระต้องพูดมีประโยชน์อการที่เราพูดในสิ่งที่มีประโยชน์นั่นแหละก็จะเป็น การรักษาชื่อเสียงวงตระกูลของเราเพราะพระพุทธองค์ได้ตัดไว้เลยว่าอคนมีชื่อเสียงก็เพราะอาสัจจะหมายความว่าคนเนี่ยมีสัจจะตัวอย่างเดียวก็ทําให้เป็นผู้มีชื่อเสียงออันไพ่บุ์ได้อะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นคนมีสัจจะมีความจริงใจอจริงใจต่อคําพูดหรือว่าจริงใจต่อบุคคลอเราต้องมีความจริงใจ ค้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นการสำรวมในศีลเราก็สำรวมในกายวาจานะสำรวมในกายวาจาในขั้นสูงก็ต้องสำรวมถึงใจด้วยนะถึงใจด้วยเมื่อเราสำรวมดีแล้วแน่นอนที่สุดเราก็มีไม่ผิดปกติทางกายทางวาจาก็ทำให้ใจของเรานั้นส่งผลไปถึงใจทำให้ใจของเราเบิกบานอ่านะเบิกบานมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้า นี่เป็นเรื่องของศีลสังวรประการที่สองสติสังวรสัมรวมด้วยสติได้แก่ความเป็นผู้มีสติไม่ฟั่นเฟือนไม่หลงลืมไม่ประมาทในการกระทําในการกระทำำํากรรมกรรมชั่วในที่รับเลยในที่แจ้งซึ่งเป็นเหตุให้สัมรวมกายวา จ, จาและใจอันความสัมรวมจะมีได้ก็เพราะสติเป็น เป็นตัวตั้งเป็นตระฐานตลอดจนการทำและการพูดจะต้องมีสติคอยเลกิกควบคุมอยู่เสมอพระพุทธองค์จึงได้ตัดไปว่าสติโลกั・สมิชาคารโรสติเป็นธรรมเครื่องตือนอยู่ในโลกหมายความว่าคนเราถ้าหากว่ามีสตินะมีสติมีปัญญาจะแล้วแน่นอนที่สุดกิจที่ทำคำที่พูดก็เป็นไปด้วยดี สำเร็จประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะของพระพุทธองค์มีทั้งหมดทั้งแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันย่อลงให้สั้นก็คือลงในความไม่ประมาทคนไม่ประมาทก็คือคนที่มีสตินั่นเองฉะนั้นการที่เราสังรวมในสติก็คือว่าคอยรักษาสติทั้งในที่รับในที่แจ้งไม่ให้วันไหวไปในเมื่อตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกลมกล็ดเล่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆ เราคอยสํารวมระวังอย่างนี้เราก็จะมีสติในการประพฤติปฏิบัติกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคดีโลกและคดีธรรมเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แน่นอนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทาไปนั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตัวเองอครอบครัวสังคมประเทศชาติฉะนั้นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีสติน สตินี่เราใช้ในเมื่อเวลาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดหรือพูดง่ายๆทุกอิริยบทยืนเดินนั่งนอนจะต้องมีสติ เ, เหยียดแขนเหยียดเท้าคค่ขาเข้าโค้แขนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีสติอยู่ทุกเมือ่อดื่มทำพูดคิดต้องมีสตินะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดจะทำนะกิจที่ทำคำที่พูดเรามีสติแล้วก็ทำให้กิจที่ทาคาที่พูดนั้นไม่ผิดพลา การงานก็มีประสิทธิภาพนะการงานนั้นก็เรียบร้อยนะนี่แหละฉะนั้นสติตัวเดียวนี่แหละเรามีสติแค่ ต, ตัวเดียวก็เท่ากับว่าเราได้ประพฤติ ธ, ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดถึงแปดหมืนสี่พันระธรรมะขันฉะนั้นสติจึงถือว่าเป็นตัวปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วว่องไวนะว่องไวฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนมันเจริญสติ หรือว่ามีสติสังวรสัมรวมด้วยสติก็จะทําให้เราเป็นคนมีสติสมบูรณ์ทําอะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่ประมาทมัวเมามีสติคอยควบคุมอยู่เสมอกิจที่ทําคําที่พูดก็สำเร็จ ร, ร่วมไปได้ด้วยดีมีประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมประการที่สามยาณสังวรสัมรวมด้วยยานด้นแก่ความเป็นผู้รู้ในเหตุและผลของกรรมดีและกรรมชั่วคอยระวังด้วยปัญญาในเวลาที่ทําที่พูดที่คิดให้รู้จัก ถูกรู้จักผิดในขนาดนั้นอันนี้เป็นผลต่อเนื่องกับสติคือบางครั้งเรามีสตินี่อาจจะเป็นมิจฉาสติก็ได้น ะ, ะเรียกว่าระลึกผิดก็ได้แต่นั้นต้องเป็นสัมมาสติร ะ, ะลึกชอบร ะ, ะลึกชอบฉะนั้นจึงต้องมียาสังวรคือสำรวมด้ว ย, ยาดก็คือได้แก่ตัวปัญญาปัญญาอันนี้ถือว่ารู้ในเหตุรู้ในผลรู้ในเหตุแห่ง แห่งความชั่วรู้ได้เหตุแห่งความเจริญรู้ว่าการกระทําอย่างนี้เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขเป็นเหตุนํามาซึ่งความเจริญเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาตินี่อย่างนี้แหละเรียกว่ายานัตสังวรและรู้และรู้ในผลของการทํากรรมดีรู้ว่าผลที่ที่เราได้รับความดีอย่างนี้เนื่องมาจากเราทําเหตุดีนะ ผลที่เราได้จะเดินรุ่งเรืองถึงถึงปัจจุบันนี้เพราะที่แล้วแล้วมานั้นเราได้ทําเหตุไว้ดีนี่เรียกว่ารู้ผลแล้วก็สาวไปหาเหตุอเมื่อรู้เหตุก็คาดอนาคตได้เลยอฉะนั้นในเรื่องยานสังวรก็คือสังรวมด้วยยานก็อายานในที่นี้ก็หมายถึงตัวรู้ตัวปัญญาคนเราจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การกระทําำคนเราถ้าพูดถ้าทำถ้าคิดอะไรคอยมีปัญญา ให้ควรพิจารณารู้จักถูกรู้จักผิดว่าถ้าเราทำไปอย่างนี้มันจะได้ผลออกมาอย่างไรถ้าทำอย่างนี้จะได้ผลดีเราก็ทำถ้าผลทำไปอย่างนี้ได้ผลให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ไม่ทำอย่างนี้แหละเกิดประโยชน์แก่ตัวเรามากนะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราม า, ากฉะนั้นญาณสังวร น, นี้ก็คือว่าคอยสารวมระวังด้วยปัญญาในเวลาที่ทำที่พูดที่คิดไม่ให้ผิดพลาด ไม่ให้ผิดพลาดให้เป็นไปตามตำหนองกรองทมอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมาในข้อที่สี่ขันติสังวรสัมรวมด้วยขันติได้กระความเป็นผู้รู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาความเหนื่อยยากลำบากหรือว่าคำเสียดสีกระทบกระทั่งของผู้อื่นเหล่านี้เป็นต้นและสํารวมในเวลาที่จะต้องอดทนเช่นในเวลาที่ประกอบกิจการงานทั้งคดีโลกและคดีธรรม จะต้องมีความอดทนต่อความหิวกระหายต่อความหนาวความร้อนเหล่านี้เป็นต้นขันติอิตะสุขาวหาความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์ เ, เกื้อกูลคนมีขันติก็เท่ากับว่าคนที่มีบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างาฉะนั้นพระพุทธองค์ จึงได้ตัดไป ว, ว่าขันตินี่แหละคือทำที่ทําให้งามคนไหนมีขันติคนนั้นงามคนไหนไม่มีขันติคนนั้นไม่งามคนไหนอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดปวด่วยไข้ได้อันจะทําให้เกิดสติสัมปชัญญะว่าไม่ได้ป่วยไข้แต่เราคนอื่นก็ปว่วยเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เราคลายจากทุกขเวทนานเกิดจากความเจ็บปวดปวด่วยไข้ได้เราสํารวมด้วยขันติโดย สัมรวมในในเมื่อเราจะต้องอดทนต่อความหิวกระหายต่อความหนาวร้อนในกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทําให้เราสําเร็จประโยชน์ในการงานนั้นๆโดยพิจารณาว่าคนเราจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การกระทําการทําดีทําชั่วนั้นเราจะต้องมีการทําดีนั้นเราจะต้องอดทนอดทนทำแม้ว่าสิ่งนั้นจะต้องหนาวต้องร้อนเนีย การงานบางอย่างนั้นเราทํากลางคืนได้บางอย่างทํากลางวันได้บางอย่างทําได้ทั้งกลางวันกลางคืนฉะนั้นบางอย่างเราก็ต้องอดทนต่อความหนาวร้อนต่อธรรมชาติดินฟ้าอากาศถ้าเราไม่อดทนทําการงานนั้นก็จะไม่สําเร็จเมื่อการงานไม่สําเร็จแล้วแน่นอนที่สุดถึงจะสําเร็จได้ก็ไม่ไ ด, ด้ดีประโยชน์ที่เราได้รับก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็อาจจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับการดํารงชีวิตก็ได้ ฉะนั้นเราจะต้องอดทนทําการงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวาดหวั่นพันตึงต่อความหิวกระหายต่อความหนาวร้อนเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้ที่สุดเราจะต้องอดทนต่อคําเสียดสีดุดา่าว่ากล่าวหรือความกระทบกระทั่งของผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราอดทนได้ก็เท่ากับว่าเราตัดเวรตัดภยัยนตัดทุกที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอดทนไม่ได้ แน่นอนที่สุดไอ้คําเสียดสีของผู้อื่นก็เป็นเหตุนํามาซึ่งการทะเลาะเบาแวงกันซึ่งความอาฆาตกันซึ่งการชกต่อยตีกันหรือการฆ่ากันประหัตประหารกันได้อาจจะถึงที่สุดก็คือบาเดเจ็บทุกพลภาพหรือล้มตายก็ได้แต่ถ้าเราอดทนเสจะได้นี่ก็เท่ากับว่าเราตัดความทุกความเดือดร้อนความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและก็จะทําให้เรามีแต่ความเจริญมีแต่ความสมัครสมาน ส, สามัคคีเป็นที่รักของคนทั่วไป นี่ถ้าหากว่าเราอดทนได้ประการที่ห้าอวิริยะสังวรสํารวมด้วยความเพียรได้แก่ความเป็นผู้มีความเพียรต่อกิจการงานที่ชอบไม่ใช่ความเพียรในทางที่ผิดหรือเมื่อจิตคิดเบื่อหน่ายต่อกิจการงานก็ใช้ความบากบั่นหนุนเป็นแรงให้กิจการงานนั้นๆสําเร็จ อีกอย่างหนึ่งได้แก่การสรํารวมไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นด้วยอํานาจความเพียรคอยพยายามละสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและตั้งใจพยายางอบรมคุณงามความดีให้เกิดมากยิ่งขึ้นเพราะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าวิริยเณรทุกขมัติเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคําว่าความเพียร น, นี้ยังมีศัพท์อีกหลายๆศัพท์ที่ใช้แทนกันได้เช่นอุท ธ, ธานาะสัมภทาคนจะถึงว่าคนจะร่ํารวยได้ก็ต้องมีความบากบัน่นมีความขยัน นมีความขยันหรืออุทธาตาวินทตเตทนังคนขยันย่อมหาทรัพได้นี่ฉะนั้นเรื่องความเพียร น, นี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญจะเป็นในทางโลกทางธรรมก็แล้วแต่เราจะต้องมีความเพียรนะเพียรในทางที่ดีที่งามเพียรในสัมมาชีพเราจะอยู่ในอาชีพอะไรต้องเพียรพยายามทําอาชีพอันนั้นด้วยดีด้วยความรอบคอบนะด้วยดีด้วยความรอบคอบด้วยด้วยความชอบธรรม เมื่อเราทําได้อย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราก็เพียรในหลักของก็คือประทานสีเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปจากจิตใจเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วไม่ให้เสื่อมไปหรือในกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในทางทำก็ดีเราจะต้องเพียร ในการศึกษาเล่าเรียน อ, อพระธรรมเพียนปฏิบัติธรรมเพียนปฏิบัติธรรมเพียนนั่งสมาธิเพียนเจริญสมถะเพี้ยนเจริญวิปัสสนาเพราะอุปกรณ์ในการเจริญสมถะวิปัสสนานั้นก็คืออาตาปีคือมีความเพียรสองอสติต้องมีสติสามสัมปชัญญะต้องมีความรู้สึกตัวสามอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญถ้าว่าเราขาดอุปกรณ์สามอย่างนี้แล้ว การประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่สำเร็จประโยชน์ด้วยดีหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องมีความเพียรเมื่อเรามีความเพียรแล้วแน่นอนที่สุดความเพียรนี่แหละเป็นตบะตัวที่จะเผาผลาญไอ้พวกกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปได้นให้หมดไปได้การศึกษาในทางโลกทักษธรรมวิชาการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าขาดความเพียรแล้วก็ไม่สําเร็จประโยชน์ฉะนั้นเราจะต้องมีความเพียเเรเป็นประทัดฐาน อความเพียรคือความบากบั่นความหมั่นความขยันอดทนต่อสู้ออดทนต่อสู้เพื่อให้สําเร็จในสิ่งที่ตนได้ศึกษาหรือในกิจที่ทําคําที่พูดอันนั้นให้สําเร็จลดล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความสุ ข, ขุมรอบคอบและชอบธรรมความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราเป็นอย่างมากฉะนั้นพูดถึงในเรื่องสังวรห้าก็คิดว่าพอเป็นแนวทางที่ให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้นําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะัฉะนั้นอเมื่อพูดโดยย่อๆแล้วก็คือว่าในเรื่องของอสังวรห้านี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนควรจะประพฤติปฏิบัติให้มีขึ้นในจิตในใจนะเมื่อเราปฏิบัติให้มีขึ้นในจิตในใจในชีวิตประจําวันแล้วแน่นอนที่สุดเราจะอยู่ที่ไหนนะเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลย ทีนี้ก็มาในในหมวดที่ห้าในหัวข้อสุดท่าว่าท่าสุดท่าว่าท่าก็ได้แก่หนึ่งอวิหานะพูดให้จะชัดก็คืออวิหะพบนะอวิหะพ บ, อ, บ, พบอัตตาปพบอ่าสุดสองอัตตาปพบสามสุดทัศน์ษาพบสี่สุดทัศส์ศีพบห้ากนิถพบนะทั้งห้าอย่างนี่แหละนะได้ชื่อว่าสุดท่าว่าท่าที่ชื่อว่าสุดท่าว่าท่าได้แก่ พบเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในพรหมโลกเอเบื้องสูงสิบหกชั้นในว่าชั้นสุทธาวาสเนี่ยสิบหกชั้นเคําคว่าสุทธาวาสได้แก่บพบเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้จุติจากมนุษสโลกนี้แล้วไปเกิดในพบที่เรียกว่าสุทธาวาสนั้นๆแล้วได้บรรลุพระอรหันต์และเลยเข้าปฏิบัติในพบนั้นนั้นบ้าง เลื่อนขึ้นไปเกิดในภพอันสูงกว่านั้นบ้างแล้วจึงบรรลุพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุทาวาทห้าทาจะมีคําถามว่าท่านผู้เกิดในสุทาวาทภพจัดเป็นพรมจะพวกไหนและเหตุฉนไหนจึงได้นามว่าสุทาวาทอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าจัดเป็นรูก ป, ประพรมเพราะเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์จึงได้นามว่าสุทาวาท หนูจะถามว่าพระอนาคามีอยู่ในสุทาวาทหาชั้นนั้นท่านกําหนดอายุต่างกันอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าต่างกันท่านผู้อยู่ในชั้นอวิหาภพกําหนดอายุพันมหากับท่านผู้อยู่ในชั้นอตตปากําหนดอายุสองพันมหากับท่านผู้อยู่ในชั้นสุทัศกําหนดอายุสี่พันมหากับท่านผู้อยู่ในชั้นสุทัศสีกําหนดอายุแปดพันมหากับท่านผู้อยู่ในชั้นอกริทฐภพ กำหนดอายุสิบหกพันมหากับเมื่อพูดถึงกับกับนี้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะงงว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็จริงอยู่ละคือมาพูดถึงในปัจจุบันนี้วิทยาการทุกสิ่งทุกอย่างจเจริญรุ่งเรืองขึ้นฟังดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่เราจะรู้ได้อ่าไอสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยจะนึกว่ามันไม่จริงไม่มีหรือไม่ถูกต้องเลยก็ไม่ได้ไอสิ่งที่เรารู้เราจะว่ามันถูกต้องอย่างเดียวก็เลยก็ไม่ได้ าอาจจะผิดก็ได้ฉะนั้นในเรื่องชั้นสุทธาวาสเนี่มันเหนือเหนือปุถุชนนะมันเหนือความคิดของปุถุชนอเป็นเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีนะชั้นอนนาคามีฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ศึกษาปฏิบัติถึงขั้นแล้วไอ้ความสงสัยต่างๆก็หมดไปแต่เพราะเรายังไม่ถึงขั้นจึงทำให้เราสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อายุตัง2000้งสองพันมหากับ สี่พันมหากับแปดพันมหากับสิบหกพันมหากับกับกับหนึ่งท่านเปรียบยกมาเป็นปุกราธิฐานว่าเหมือนกับภูเขาสีเนรุอันกว้างยาวใหญ่พอร้อยปีก็มีเหล่าพวกเทพยาดาเอาผ้ามากวาดมาถูครั้งหนึ่งร้อยปีก็มาถูครั้งหนึ่งถูจนกระทั่งภูเขาสีเนรุอันนั้นราบเรียบเสมอผืนแผ่นดินนี่แหละเป็นกับหนึ่งอ่าเป็นกับหนึ่งและวจานั้น ตั้งสองพันมหากับแปดพันมหากับก็โอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่พิสดารมากก็เอาละนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกินวิสัยของเราก็รับรู้เอาไว้ก็แล้วกัน <c oughs> หรือถ้าจะถามว่าสุทาวาทห้าเป็นชั้นพรหมมีรูปใช่หรือไม่เหตุไหนจึงมีชื่ออย่างนั้นเราตอบว่าใช่พบห้านี้อยู่ในพรหมโลกสิบหกชั้นข้างสูงในข้างสูงข้างสุดท้ายเลยพรหมสิบหกชั้นอ่า นับถอยหลังมาห้านั่นแหละเรียกว่าสุทาวาสว่าที่เกิดแห่งพระอนาคามีผู้จุติจากพบแล้วได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแล้วนิพพานในภพนั้นบ้างเลื่อนไปเกิดในภพสูงขึ้นไปกว่าบ้างแล้วจึงเป็นอยู่อย่างนั้นจึงได้ชื่อว่าสุทาวาสแปล ว, ว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์นะเรียกชื่อเป็นออกไปเป็นห้าห้าอย่างอตามชื่อเทพในชั้นนั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของสุทาวาสห้า ทีนประการสุดท้ายเมื่อพูดถึงชั้นสุท้าว่าห้าแล้วก็อยากจะพูดถึงพระอนาคามีห้าให้สอดคล้องกันไปเลยพระอนาคามีห้าก็ในแกนหนึ่งอันตราปรินิพพายีท่านผู้จะปรินิพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งสองอุปหจจปัดจะปรินิพพายีท่านผู้จะปรินิพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนจะถึงที่สุดสาสังขาระปริปรปรนิพพายีท่านผู้จะปรินิพานด้วยต้องใช้ความเพียร เป็นอย่างมากสี 4. อาสังขาระปรินิพพายีท่านผู้จะปรินิพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรมากนะห้าอุดทังโสโตอากนณิธะอากาาคามีท่านผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชั้นอากนณิธภพประการแรกขอให้ท่านทำความเข้าใจกับคำว่าพระอนาคามีได้แก่พระยะบุคคลผู้เสขะก็คือผู้ ผู้ไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกเนะผู้ไม่กลับมาเกิดอีกหรือผู้ไม่มีบ้านนะผู้ไม่มีบ้านผู้ไม่กลับมาเกิดอีกอพระอนาคามีนี้กําจัดสังโยชน์ได้ห้าเบื้องต้นได้โดยเด็ดขาดหนึ่งหนึ่งสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสีลพตปรามาสสี่ก า, ารามราคะห้าปฏิฆะทั้งห้ายอย่างนี้พระอนาคามีละได้โดยเด็ดขาดะละได้โดยเด็ดขาดฉะนั้นอ ถ้าพูดถึงเรื่องพระอนาคามีก็เป็นพระยะบุคคลนะเป็นพระยะบุคคลที่ที่พวกเราอาปุทุชนก็ยังยังไม่ได้ก็อาจจะคิดไปเป็นเรื่องที่ว่าเหลือเชื่ออีกเหมือนกันฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีคำถามว่าพระอนาคามีประนิพันธ์แล้วไปเกิดที่ไหนสถานที่นั้นเฉพาะเป็นที่อยู่ของท่านจำพวกเดียวหรือหรือทั่วไปแก่พวกอื่นบ้าง อันนี้เราตอบได้เลยว่าไปเกิดณชั้นสุดทาวาสสถานที่นั้นเฉพาะเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีจำพวกเดียวหาได้มีทั่วไปแก่พวกอื่นไม่หรือถ้าจะถามว่าผู้ที่จะได้อ่าเป็นพระอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีนั้นเฉพาะบัณชิตหรือคฤหอสัดก็มีบ้างเราตอบบอกว่าไม่เฉพาะแต่บรรณชิตเท่านั้นถึงแม้คฤหัดก็เป็นพระอนาคามีได้เหมือนกันในที่นี้ยก เอามหานามสักยะเป็นตัวอย่างหรือถ้ายังมีคําถามว่าพระอนาคามีท่านเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรอือธิบายแล้วก็ตอบได้เลยว่าเข้าใจว่าท่านผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเพราะว่าคําว่าพระอนาคามีเมื่อนิพพานแล้วย่อมไปเกิดในสุดทาวาสผมเท่านั้นหาได้เกิดในมนุษย์โลกหรือสถานที่นอกจากนังกล่าวแล้วนั้นไม่ฉะนั้นอการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง สังวรห้าก็ดีสุดท่าวาดห้าก็ดีพระนาคามีห้าก็ดีคิดว่าพอเป็นแนวทางแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้นําไปประพฤติธปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ในที่สุดแต่การบรรยายนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่หกว่าด้วยเรื่องอภิญญาหก อภิญญาหกก็คือหนึ่งอิทธิวิธีแสดงฤิษได้ต่างๆสองทิพโสตคือหูทิศสามเจโตปริยญาณยารู้จักกำหนดใจผู้อื่นสี่ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ห้าทิพประจักขุตาทิศหกอาศวัคยญาณรู้จักทำอาศวะให้สิ้น ประการแรกขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่าอภิญญานเสียก่อนคำว่าอภิญญานี้แปลว่าปัญญาเป็นเครื่องอยูรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งอภินี่แปลว่ายิ่งใหญ่ทัพนะเรีกว่าปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งคือไม่ใช่ไอ้คำว่ายิ่งในที่นี้ไม่ใช่รู้ธรรมดาคือรู้มากนะรู้อย่างวิเศษนะรู้นอกเหนือสามัญชนที่รู้ได้นี่เป็นคุณสมบัติของพระรหัส ผู้ของพระอราหันต์ผู้ได้บรรลุอคุณธรรมท่านจําแนกออกเป็นหกก็คือหนึ่งอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ในคาว่าแสดงฤทธิ์ได้ในที่นี้ก็ได้แก่แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆอันร่วงวิสัยของสามัญของมนุษย์คนเดียวอาจจะนิตรให้เป็นคนมากก็ได้นะหรือจะกลับมาให้เป็นคนเดียวก็ได้แสดงเป็นตั้งร้อยตั้งพันก็ได้เหมือนอย่างกับอาจุลปันถก ได้แสดงได้เนรมิตตัวเองให้เป็นเป็นพันเป็นพันคนก็ได้นะเป็นพันคนก็ได้หรือว่าจะล่องหนหายตัวผ่านไปในวัตถุกาแพง อ, อ่มีฝามีกาแพงมีภูเขาอย่างนั้นก็ได้หรือจะดำดิ้นดำน้ำก็ได้นะเหาะไปในอากาศก็ได้หรือถึงที่สุดแม้จะไปโลกคํามพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ได้นี่เรื่อง เรื่องคนมีฤทธิ์นี่มันก็เป็นเรื่องแปลกอันนี้หมายถึงว่าต้องได้อภิน ญ, ญานะต้องได้บรร ล, ลุมรรคผลนิพพานนะแล้วก็ได้สําเร็จเชี่ยวชาญในอภิญญาหกนะจึงจะได้นะจึงจะได้ฉะนั้นอันนี้มันก็เหลือวิสัยของพวกเรานะเหลือวิสัยของพวกเราฉะนั้นมันก็บางทีอาจจะทําให้เรานี้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไปแต่มันก็ไม่เหลือเชื่อบางครั้งเราก็เห็นว่าอ่าคน ชาวบ้านของเราเนี่ยบางคนที่เขามีฤทธิ์มีวิชาคาถาคมบางครั้งก็แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาได้เหมือนกันบางคนเราจะเห็นว่าแก้วเนี่ยนะเขากัดเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็พ่นออกมาได้นะอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกอันนี้ผู้่าพูดนี้ได้เคยเห็นนะคนหนึ่งเขาทราบว่าเป็นคนที่มีวิชาคมเก่งพอควร เวลาเขาเดื่มสุราแล้วเขาก็จะกินแก้วไปด้วยเขาจะกัดแก้วเคี้ยวมาธรรมดาไม่บาดปากอะไรเขาเลยเคี้ยวจนละเอียดคนออกมาเป็นฝอยหมดเลยเนี่ยเป็นฝอยเลยนี่หรือบางคนก็หายตัวได้นี่หายตัวได้วิ่งวิ่งไปนี่หายตัวได้นี่อันนี้ผู้ฟังก็เคยเคยไม่เคยเห็นแก่ตาแต่รู้จักกับคนนั้นที่คนทั่วไปเขายอมรับว่าหายตัวได้นี่นี่ฉะนั้นวิชาต่างๆมันก็ เป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สุขุมลูบลึกมากมันเป็นศาสตร์ที่ที่เกินเกินที่คนสามัญจะจะทำได้นทําได้ฉะนั้นก็เราจะเห็นว่าบางทีพระเถระหรือว่าเกติอาจารย์ต่างๆที่เชี่ยวชาญในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมบางท่านก็อาจจะได้ฌานได้ฌานได้มักได้ผลนิพพานอะไรก็ได้ฉะนั้นเราเคยได้ศึกษาในตำราหรือบางทีก็เคยได้ยิน เขาเล่าจะต่อกันมามันก็เป็นเรื <'t Seal> <salud> ่องที่ไม่เหลือวิสัยนะกนะไม่เหลือวิสัยนัแต่ว่าผู้ที่ได้นั้นจะต้องไม่คุยนะไม่คุยไม่อวดอ้างว่าตัวเองได้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้เพราะที่ผู้ที่ได้ไปอวดอ้างหรือบอกกล่าวว่าตัวเองได้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้นั่นไม่ใช่พระยบุคคลนะนั่นไม่ใช่ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานนะกลายเป็นเรื่องว่าล็อกๆกันนะลอกๆกัน พระเถระบางองค์เนี่ยเขาสามารถจะนั่งเพ่งเทียนที่กำลังจุดไฟให้ดับไปเลยก็ได้เพ่งน้ำที่กำลังอยู่ในขันนีให้ไหวไปมาเลยก็ได้นี่นี่มันก็เป็นเรื่องของผู้ที่ประพุทธปฏิบัติทำถึงขั้นสูงแล้วก็ทำอะไรได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจมโนปพังกมาธรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสาเจปทุทเถนะภาสติวากโรติวา พอทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าพอสาเร็จมีจิตมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดจะทําอะไรก็สําเร็จที่ใจจะพูดก็าตามจะทําก็ตามสําสเร็จอยู่ที่ใจทั้งนั้นอยู่ที่ใจทั้งนั้นฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าใจของเรานีถ้าฝึกถึงที่แล้วก็มันทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรได้แลว้วก็เราดูพวก อ่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะพวกหนังกําลังภายในเนะีนะ่ยฮะหนังกําลังภายในมันเหาะเหินเดินอากาศดําดินกันรู้สึกว่าเก่งมากเหลือเกินนี่อันนี้อันนี้แสดงว่าไ อ, าเ อ, อนะ้เรื่องจริงมันต้องมีนะเรื่องจริงมันต้องมีคือมหายานนี่ก็ถนัดทางนี้มากฉะนั้นพวกเราจึงติดหนังกําลังภายในกันมากนะกําลังภายในกันมากแม้บางครั้งพระเอกคนเดียว ศัตรูยี่สิบสามเข้ามาในสู้พระเอกไม่ได้พระเอกมือเปล่าด้วยนะอนั่นมีห อ, อกมีดาบยังสู้ไม่ได้นี่มันก็เป็นเรื่องของกําลังภายในไอ้กาลังภายในนี่มันก็ถ้าจะพูดดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นวิชาอันหนึ่งนะเป็ น, เ ป, นเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะที่ลึกลับจะต้องประพฤติปฏิบัติมากนะจะต้องประพฤติปฏิบัติมากนะถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติไม่ได้ถึงที่ก็ไม่ได้ขั้นนั้นนะไม่ได้ขั้นนั้นฉะนั้นจึงบอกว่า นี่แหละจึงมันเป็นวิชาอันหนึ่งนะเป็นวิชาหนึ่งที่จะต้องอใช้ความเพียรมากในทางพระพุทธศาสนาอนะืนี่ก็เป็นเรื่องของฤทธ์นะเป็นเรื่องของผู้มีฤทธ์ผู้มีฤทธิ์ฉะนั้นคนที่มีฤทธิ์นี้หรือว่ามีวิชาคมต่างๆนี้คนกลัวมากนะกลัวอนะืกลัวกว่ากลัวเสียกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสนะิเพราะว่า กลัวจะถูกทําอย่างนั้นอย่างนี้นะบางคนเสกหนังเข้าท้องได้บางคนไปเก็บเอาไอ้ไอดินที่เราเหยียบนนะเนี่ยนะเนี่ยเอามาทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เรานั้นต้องตายก็ได้นะบาดเจ็บก็ได้บางคนที่เขาเอาถูกเขาทําเนี่ยแล้วก็มีหมอมาแก้เอาตะปูออกจากเนื้อจากตัวเราได้นี่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะบางครั้งมันก็เหลือวิสัยของเราที่จะวินิจฉัยลงไปได้แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมเหมือนกัน พอไปเห็นเห็นมาแกตาว่าเอาเขาเอาตะปูออกมาจริงๆนี่อตะปูออกมาได้แล้วโดยเฉพาะผู้พูดนี่ก็เคยไปเห็นเขาใช้วิชานี่แหละแต่ก็จับเขาไม่ได้นะจับเขาไม่ได้เขาสามารถจะเอากระโหลกนี่อกล่าววิชานวดฤทธิ์นิดนหน่อยให้หกกระม่งคว่ากระเมนก็ได้ไข่เป็ดไครไก่เนี่ยมาวางวันนี้ให้วิ่งยังไวไ ป, ไปกุรทิศกุะทางสิบลกูกยี่สิบลูกไปเลยงงทางนี้ก็ได้จอระเคสตาร์ น, นี้เอาให้งับ คนก็ได้นี่มันก็เป็นเรื่องแปลกน่เป็นเรื่องแปลกฉะนั้นในเกี่ยวกับเรื่องพุทศาสตร์ต่างๆนะหรือจะเป็นไสยศาสตร์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ลนะบางครั้งมันก็ลี้ลับลึกลับน่ลึกลับมากแต่เราก็ไม่ควรไปติดอยู่แค่นั้นน่ไม่ควรติดอยู่แค่นั้นไอ้ที่พูดมาเอามาเป็นข้ออ้างเครื่องประกอบนี้ก็เพื่อจะบอกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบว่าสิ่งต่างๆที่ เราได้เรียนรู้ได้ศึกษามันก็ไม่ใช่ว่าบางอย่างจะถูกเสมอไปและที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะหรือไม่ใช่ว่ามันจะผิดเสมอไปทุกโอกาสทั้งมีผิดทั้งถูกก็มีนะมีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เราจะต้องไม่ติดไม่หลงนะจะต้องไม่ติดต้องไม่หลงต้องศึกษาให้ท่องแท้ ให้ท่องแท้ปฏิบัติให้ถึงแล้วเมื่อนั้นแล้วเราก็จะหายความสงสัยเสรยจได้นะหายความสงสัยได้มาในข้อที่สองทิพโสตะก็คือหูทิพหูทิพนี่ก็หมายถึงว่าได้แก่หูทิพหมดจดล่วงเสียซึ่งหูของสามัญชนหรือของมนุษย์ทั้งไกลและใกล้ได้ทั้งไกลและใกล้ได้ ไอ้นคนหูทิพนี่ก็คือว่าเป็นเป็นหูเป็นรู้ฟังฟังเสียงที่มนุษย์เราสามัญเนี่ยฟังไม่รู้นะ่ะฟังไม่รู้และคนหูทิพนี่นะพวกนี้ก็จะต้องได้มรรคได้ผลได้นิพพานได้มรรคได้ผลได้นิพพานแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีมีสําหรับผู้ที่ได้มรรคได้ผลได้นิพพานาเสมอไปไม่ใช่ทุกพระองค์ไม่ใช่ทุกคนนะ่ะมีเป็นพระพุทธคคล หูทิพนี่แต่โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรามีหมดทุกอย่างนะมีหมดทุกอย่างอยู่ที่ไกลอยู่ที่ไหนได้ยินใครจะติชินนินทาอย่างไรรู้หมดนะเรียกว่าอยู่กันคนละมุมประเทศก็รู้นะสําหรับผู้หูทิพน์นะฟังรู้นะฟังรู้ฉะนั้นไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนี้เราก็มีหูทิพน์กันมากนะผู้โทรศัพท์ทางไกลข้ามประเทศได้จากประเทศนี้ไปไหนก็ได้ขั่วโลกเหนือขั่วโลกใต้ก็ได้ นี่ไปอเมริกาไปรัสเซียไปยุโรปไปที่ไหนญี่ปุ่นเนี่ยชั่วแป๊บเดียวนะไม่กี่นาทีนี่นี่มันก็มันก็ทิพเข้าไปแล้วนะนี่ก็เป็นหูทิพเข้าไปแล้วอืมนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าในเรื่องหูทิพเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะไม่ต้องเราพูดกันง่ายๆแม้แต่หูสัตว์บางอย่างอย่างหูสุ น, นัข่างเนี่ยมันฟังเสียงที่มนุษย์เราฟังไม่ได้ยินเนี่ย ได้ดีกว่านะหูสุนัขเนี่ยเทียบกับหูคนหูคนนี่หูตึงหูหนวกมากนะหูตึงหูหนวกมากมีแต่ขี้หูไอ้สุนัขเนี่ยมันฟังเสียงฟังเสียงอะไรที่มันไกลๆได้กว่ามนุษย์เราแล้วก็ฟังเสียงที่ที่มนุษย์เราฟังไม่ถึงไม่ได้ยินเนี่ยหูสุนัขฟังได้อืาแล้วมีข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสุนัขเนี่ยเวลามันนอนเอาหูติเ ด, ดินเนี่ยมันจึงได้ยินได้ยินเสียงอะไรได้ได้ไวมาก เพราะคนเอาเวลาเดินเนี่ยไอ้มันทางพื้นดินเนี่ยมันกระทบกระเทือนมากนะกระเทือนมากอืมฉะนั้นเวลาสุนัขนอนเวลาใครเดินมาจึงได้รู้นะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นคนหูไวก็ต้องนอนให้ติดพื้นนะติดพื้นดินเจึงจะรู้ว่าใครเดินมานะใครจะมาตัดช่องย่องเบารู้หมดดีไม่ดีขโมยเดินเหยียบซะเลยก็ได้นะขโมยเดินเหยียบซะเลยฉะนั้นนอนก็ต้องต้องหาที่นอนให้มันดีๆหน่อยนะหาที่นอนให้มันดีๆหน่อย ถ้าใครอยากจะเป็นคนเอหูดีหูไวแล้วก็มีตําราอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าให้ดื่มน้ําข้าวมากๆนะน้ําข้าวน้ําข้าวที่เราเอาไปให้สุนัขมันกินเนะพราะมีอา น, นิสงส์งของการดื่มน้ําข้าวก็คือทําให้เสียงดีนะหูไวแล้วก็วิ่งได้เร็วกําลังวังชาดีนะกําลังวังชาดีเสียงดีอีกด้วยฉะนั้นก็ลองดูนะเรื่องน้าข้าวนี่ก็ ถือว่ามีประโยชน์มากเป็นยอดของอาหารนะเป็นยอดของวิตามินทำให้สุขภาพดีนะสติกมรังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงอา้าวทีนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องหูทิพย์ใหม่นะเรื่องหูทิพย์นี่เป็นอาทิพย์ด้วยปัญญานะรู้ด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญานะฟังด้วยปัญญาฉะนั้นไม่ใช่หูอย่างเรานะไอ้ยังเราสักแต่ว่ามีหู ฟังแล้วบางทีก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาพูดมานั้นดีหรือชั่วแต่ว่าหูทิพนี่เป็นไปในทางที่ดีทางนั้นนะเป็นไปในทางที่ดีทางนั้นอ่าคือหมายถึงว่ารู้ดีทางนั้นแต่ว่าใครจะติชินินทาก็รู้นะก็รู้แต่ว่าไม่ได้มีการโต้อตอบอะไรไม่ได้ไปว่าไปกล่าวการอะไรนะดังนั้นหูทิพนี่จรงว่าฟังเสียงทิพนได้นะข้อนี้อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเทียบไว้ว่า คนหูทิพย์นี่ก็ฟังเสียงทิพย์ได้เทียบได้กับการรู้สังเกตอาการอาของคนและพัสดุแล้วก็มาสันนิษฐานได้ว่าฟังเสียงไกลก็ได้นะได้ยินข่าวใกล้ก็ไดนะ้เทียบได้กับพวกวิทยุโทรศัพท์นั่นเองนะนี่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านแก้ไว้มาในข้อที่สามก็คือเจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่น ใ้คาว่ารู้จักกาหนดใจผู้อื่นก็ได้แก่การรู้จักกาหนดใจของผู้อื่นด้วยการกาหนดเอาใจของตนเข้าไปเทียบเข้าไปเปรียบไปเทียบเป็นอย่างไรในเหตุการณ์และในสมัยนั้นๆตนเองมีจิตใจบริสุทธิ์หรือเศร้ามองอย่างไรถึงผู้อื่นก็ย่อมมีจิตใจเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้รู้ด้วยการกาหนดอย่างนี้หรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรา รู้ใจผู้อื่นนั้นทําให้เราพูดหรือทําอะไรได้ถูกใจเขาได้นะถูกใจเขาได้แต่ทุกวันนี้เราไม่รู้นะไม่รู้ว่าใจของผู้อื่นนั้นคิดอย่างไรนะคิดอย่างไรเราจึงทําอะไรให้ถูกใจเขาไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยสามารถรู้ใจของผู้อื่นเมื่อรู้ใจผู้อื่นพระพุทธองค์ก็ยกเอาธรรมะให้ผู้นั้นฟังแล้วก็เกิดความชอบได้ э เกิดความพอใจได้นะเกิดความชอบความพอใจ อเมื่อเกิดความชอบความพอใจในธรรมนั้นแน่นอนที่สุดไอม้มรรคผลก็บังเกิดขึ้นมากนะบังเกิดขึ้นมากในสมัยพระพุทธองค์อคนฟังเทศฟังธรรมแล้วก็บรรลุ ก, กันมากนะบรรลุ ก, กันมากสมัยนี้ฟังแล้วไม่ใช่บรรลุฟังแล้วก็เกิดมุทะลุแล้วก็ลุกกันไปเลยนะลุกกันไปเลยเพราะผู้สแสดงก็ไม่ไม่เข้าใจผู้สดับก็ไม่ไม่แจ่มแจ้งต่างคนต่างไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้ง คนที่สุดก็คือยังว่ามุทะลุนะแล้วก็ลุกกันไปเลยต่างคน้นต่างลุกกันไปนี่เนี่ยเพราะไม่เข้าใจนะเพราะไม่เข้าใจฉะนั้นในเรื่องการรู้ใจผู้อื่นนี่ก็เหมือนกันแม้ในทางธรรมก็ดีทางโลกเราก็สอนว่าการที่เราจะไปพูดหรือจะทําอะไรนั้นต้องให้เราสังเกตนะต้องให้เราสังเกตเป็นคนนักสังเกตเอนะทําอะไรให้เหมาะสมกับการเวลาต้องรู้จักศึกษานิสัยใจคอกันนะนิสัยใจคอกัน เมื่อเรารู้จักนิสัยกันแล้วแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นทำอะไรถูกจิตใจคนได้เรามีคบเพื่อนเราก็ต้องรู้ว่าเพื่อนเราชอบอะไรอเพื่อนของเราบางคนก็รู้สึกว่ารักสวยรักงามบางคนเป็นคนโมโหร้ายบางคนรู้สึกมีสติปัญญามากบางคนก็โง่เต็มทีบางคนก็ชอบย ก, ย, กยอๆบางคนชอบพูดตรงๆรงอันนี้เมื่อเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ทําให้ถูกต้องให้เหมาะกับบุคคล เมื่อเราทำถูกบุคคลแน่นอนที่สุดเขาก็ย่อมจะรักใคร่นับถือเราแล้วก็ทำให้ถูกการละเทศะสถานที่ประโยชน์ก็เกิดขึ้นมากเราจะเป็นนักปกครองคนหรือว่าจะเป็นครูอาจารย์เป็นนักกิจวิยาต่างๆนี้จะต้องศึกษาเรื่องนี้ให้มากการที่เราจะไปพูดในที่ใด น, นั้นเราจะต้องใคร่ควรดูว่าสถานที่นั้นอยู่ในที่เจริญหรือว่าไม่เจริญสถานที่นั้น มีท่านผู้รู้มาพูดมาบรรยายอะไรบ้างไหมเอเมื่อเราเราไต่สวนตัวถามดูนี้เราก็ดูตอบีกว่าในที่เราไปพูดนั้นมีผู้หญิงมากหรือผู้ชายมากเอแล้วผู้หญิงผู้ชายมากก็ดูว่ามีการศึกษาหรือเปล่าอยู่ในระดับไหนแล้วเราจะได้จัดข้อความที่จะพูดนั้นให้เหมาะสมกันอันนี้ก็จะทำให้ถูกจิตถูกใจได้เอถูกจิตถูกใจได้ถ้าเราจะพูดให้พวกทหารฟังก็ต้องพูดถึงเรื่องความก ล, วกล้ากล้า อนะความแก้วกล้านะในการสร้างชาติบ้านเมืองเอนะการมีระเบียบวินัยีนะ่ถ้าจะพูดให้พวกผู้หญิงฟังก็ต้องพูดถึงความสวยความงามนะหรือวิธีที่จะทําให้เกิดเอมีเสน่ห์มีราบมียศอะไรอย่างนี้แล้วก็เจึงนะจะถูกกิจถูใจไดนะ้ฉะนั้นในเรื่องการศึกษานิสัยน้ําใจนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นสามีภรรยากันก็จะต้องศึกษาน้ําใจกันให้มากให้รู้ว่า ภรรยาของเราเป็นคนงอนหรือเปล่านะเป็นคนพูดน้อยหรือเป็นคนพูดมากนะสามีของเราเป็นคนโมโหร้ายหรือเปล่าเป็นคนพูดคำหยาบหรือเปล่าเป็นคนพูดเพราะหรือเปล่าแล้วเราก็พยายามปรับเข้าหากันนะให้เหมาะสมให้ถูกกาละเทศะประโยชน์และสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ฉะนั้นในเรื่องการรู้จักกําหนดใจผู้อื่นนี้ก็มีคํากลอนบทหนึ่งได้บอกว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอชาา่าใสเอเขาก็จิตคิดดูเล่าเราเข้าใจเร า, าจะทําอะไรก็ต้องควรจะไข่ควรไปกรองให้ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาบ้างเรารักสุขเกลียดทุกเขาก็รักสุขเกลียดทุกเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็จะต้องทําอะไรแล้วก็กาค่อยๆกําหนดนะจิตใจของกันและกันแล้วก็ทําให้ถูกจิตใจและกันและกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ สันติสุขประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราครอบครัวสังคมประเทศชาติเป็นอย่างมากนะเป็นอย่างมากนะฉะนั้นในข้อนี้พระพุทธองค์จึงถือว่าเป็นผู้เลิศกว่าบุคคลทั้งปวงก็เพราะว่าในการที่จะพูดหรือว่าแสดงทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอก็ย่อมจะถูกจิตถูกใจคนมากแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะให้คนทั้งโลกนั้นบรรลุพระอาหารหันต์ได้อันนี้ก็ขึ้นกับอุปนิสัย ของผู้นั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบารมียังไม่ถึงสติปัญญายังไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อืมนี้มาในข้อที่สี่ภูเพนิวาสานุสติญาณคําว่าภูเพนิวาสานุสติก็คือระลึกชาติได้ใอ้คาว่าระลึกชาติได้ในข้อนี้หมายถึงว่าระลึกชาติถอยหลังเข้าไปในชาติก่อนๆได้ ชาติก่อนๆที่แล้วๆมาสองชาติสามชาติสิบชาติยี่สิบชาติไรได้ว่าในชาตินั้นๆน่ะเรามีชื่อว่าอย่างไรมีโคตรอย่างไรมีผิวพันธุ์อย่างไรอ่ะแล้วก็ได้มีความสุขได้เสวยทุกอย่างไรมีอายุเท่าไหร่จุติเคลืนจากทั้นแล้วไปเกิดในที่โน้นอด้วยกรรมอะไรนี่เรารู้นะอย่างนี้เรารู้นี่เพราะอะไรระลึกระลึกในชาติผลหลังได้นะ บางคนในปัจจุบันนี้ก็มีการแอ บ, บอ้างเหมือนกันว่าตัวเองระลึกชาติได้แต่พอเขาไปสอบจริงๆแล้วก็ระลึกไม่ได้เป็นการอวดอ้างเพื่อแสวงหาลาบนั่นเองแต่ที่เขาระลึกชาติได้จริงๆก็มีนะระลึกชาติได้จริงๆก็มีว่าตัวเองเมื่อก่อนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นลูกของคนนั้นคนนี้อยู่ที่สถานที่นั้นพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนั้นแล้วการไปตรวจสอบก็ได้ตรงนะแต่อย่างนี้มันมีน้อยนะจริงๆมีน้อย ไอ้ที่มีมากแล้วพอเราแอบอ้างกันอวดอ้างกันเปล่าๆนะไม่เป็นความจริงนะฉะนั้นการาระลึกชาติได้นี้พระพุทธองค์ก็ได้ที่ต้นสีมหาโพในยามทั้งสามก็คือได้วิชาสามที่ได้ภูเพริวาสานุสติยานรู้จักระลึกชาติได้โจตูปภาตยานรู้จักกําหนดการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอสวกไชยานก็รู้จักทําอสาวกให้สิน้นที่พระองค์ได้ในยามทั้งสาม แล้วก็มาข้อที่ห้าก็คือทิพจักขุนะทิพจักขุก็คือมีตาทิพนะมีตาทิพตาทิพก็หมายถึงว่าเห็นได้ไกลนะเหมือนกับตาพระอินนี่มีตั้งพันตานะสหัสเนโตเนี่ยมีพันตาในคาว่าพันตาคือมีดวงตาเนี่ยมีอยู่ดวงเดียวแต่ว่าสามารถจะรู้เห็นเหตุการณ์ได้นับเป็นพันๆ มองไปแคเห็นหน้าเป็นบรรพบุรเห็นได้มากกว่าเหมือนกับเรามีมีพันตากันเลยเรามีตาเดียวเราก็เห็นได้มากแล้วแต่คนมีตาทิพย์อย่างพระอินทร์เนี่ยเทา้าศาสไนเนี่ยย่งมียังมีในตามากกว่าเราถึงเป็นพันพันตาเ่าเห็นอะไรได้ไกลๆรู้เหตุการณ์ดีชั่วได้ฉะนั้นตัวตาทิพย์นี้แน่นอนที่สุด เป็นตาปัญญาไม่ใช่ตาเนื้ออย่างพวกเราไอ้ตาอย่างเรานี่มันตาฝ้าตาฟางตาเปียกตาแฉะตาแดงอะไรกันอมีแต่ขี้ตาบางอันเถอะนะมีแต่ขี้ตาแต่ว่าตาทิพนี้เป็นตาที่ต้องบําเพ็ญนะต้องบําเพ็ญเจริญนะต้องเจริญสมาธิจงได้ฌานได้มรรคได้ผลได้นิพพานตาทิพนจึงจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีทั่วไปในสาวกทุกๆองคนะไม่ได้ทุกๆองค มีเป็นเฉพาะองค์ๆนะอย่างกับพระอนุรุทธะนี่ก็ถือว่ามีทิพจักขุนะมีทิพจักขุก็ถือว่ามีตาทิพนะย์อย่างพระพุทธองค์เหมือนกันตอนเช้าท่านก็จะตรวจดูสัตว์โลกนะตรวจดูสัตว์โลกแพร่ายคือพยานออกไปตรวจดูทั่วโลกเลยว่าพรุ่งนี้อหรือว่ามีผู้ใดอา่ามีพระสาวกองค์ใดมี อุบาสกอุบาสิกาคนใดที่พอจะเผยแพร่หรืออบรมสั่งสอนให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นั่นพระองค์ก็จะเสด็จไปที่นั้นนี่ก็จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเข้าปรากฏในข่ายคือพยานของพระองค์ว่าผู้นั้นอยู่ที่นั่นที่นี่มีความประสงค์จะฟังธรำหรือจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพระองค์เสด็จไปแล้วก็จะได้บรรลุได้นะได้บรรลุได้อย่างกับพระจุลปันธุกอีกเหมือนกัน จูระพันธกนี่เข้ามาบวชกับพี่ชายนะมาบวชกับพี่ชายพี่ชายเรียนหนังสือเกง่งเพราะงั้นเธอได้ประพฤติทำรรปฏิบัตรริทำจนได้บรรลุพระอระหันต์แต่ว่าน้องชายนี่หัวไม่ดีเรียนเท่าไรท่องเท่าไรก็ไม่จดไม่จําำจนพี่ชายรําคาญก็เลยไล่ออกจากวัดไปเลยหนังสือแค่สามสี่แถวแค่นี้ท่องไม่ได้ตั้งสามเดือนอย่าอยู่เลยเออเปลืองข้าวเปลืองที่อยู่อาศัยไล่ออกไปแค่เสียใจมาก ทั้งๆ ท, ที่มีศรัทธายากบุดแต่ก็ถูกพี่ชายลงโทษก็จําเป็นจะต้องไปเศึกเนี่ยพอดีพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าจุลปันถกนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เราแล้วก็อุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานก็จะเสียไปฉะนั้นเราจะต้องไปช่วยแล้วพระพุทธองค์ก็รุ่งขึ้นพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปโปรดไปโปรดเพียงแต่ให้ท่องคาถาว่ารัชโชหรนังแค่นั้นเนี่ยทาให้จุฬาันถกบรรลุได้หรือยังกับมัตตกุณนลีนะมัตตคุณนลี นี่อีกเหมือนกันอาศัยพ่อผู้เป็นวิชาทิฏฐิเมื่อคราวมัตะกุลนรีเจ็บป่วยก็ไม่ยอมพาไปหาหมดามหมอหรือพาไปรักษาโดยหยูยาต่างๆเพราะตัวเองกลัวว่าจะต้องเสียเงินเสียทองมากเป็นคนตันีทีเหนียวพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นคนขี้เหนียวว่างั้นเถอะเนี่เป็นคนขี้เหนียวอันนี้แหละไม่ยอมไปรักษาที่ไหนประกอบยาขึ้นเองผลที่สุดลูกชายก็ใกล้จะตายนะลูกชายก็ใกล้จะตาย เมื่อลูกชายกล้จะตายก็ยังว่าพระพุทธองค์องค์นี้แผ่ขายคือพยานล้วรู้แล้วว่ามัตตคุณนลีนี้ถ้าหากว่าเราเสด็จไปโปรดก็คงจะได้อุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานหรืออย่างน้อยก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปตอนนั้นมัตกุณนลีก็ลังนอ น, น, อนตะแข e งพระพุทธองค์ก็ได้แผ่รัศมีไปแวบเหมือนกับเออแสงไฟแฟดถ่ายรูปถ่ายภาพแวบไป มัต่ตคุณลีเห็นแสงเอ๊ะนี่มันแสงอะไรเหลียวมาดูอ้าวเห็นเป็นพระพุทธองค์ประทับยืยนอยู่นะก็เกิดจิตเริ่มใสยกมือประนมขึ้นแค่นั้นแหละเมื่อตายไปแล้วก็ไปจุติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์นั่นเองมีเพราะทําจิตให้เรื่อมใสยอย่างเดียวนะนี่แหละเป็นเครื่องเคียนว่าพระองค์นั้นมีตาทิพยนะ์ตาทิพยนะ์รู้ด้วยญาณรู้ด้วยปัญญานะรู้ด้วยตาปัญญาฉะนั้นถ้าใครหากว่า อยากได้ตาทิพย์ก็จงมันจเจริญสมาธิจเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วจะทําให้มีตาสดใสใจเบิกบานได้มักได้ผลได้นิพพานได้แต่ถ้าหากว่าเรายังต้องมายอ่อตาแบบนี้แล้วก็มันไม่ใช่ตาทิพย์น ะ, ะตาจะมืดอาจตาจะบอดไม่ต้องไปเขียนตาอให้มันสกปรปกให้มันมืดเให้มันมืดเอาทีนี้ก็มาในข้อที่หก อาสวะชคยยานรู้จักทำอาสวะให้สิ้นการรู้จักทำอาสวะให้สิ้นก็คือว่ารู้ว่านี่เป็นทุกข์นะรู้นี่เป็นเหตุ<พ>ให้เกิดทุกข์นี้รู้ว่าความดับทุกข์นี้รู้คทางให้ถึงความดับทุกข์การรู้อย่างนี้แหละคือรู้จักทำอาสวะให้สิ้นคือ อ, อาสวะเ<อ> <ๆ S 2> นี่ยแปลว่าเครื่องเศร้าหมองนะเครื่องเศร้าหมองอาสวะ กับกิเลสนี่บางทีก็ใช้แทนกันบางทีก็พูดรวมกันไปอาสวะกิเลสนะเรื่องสมองแล้วคำว่าอาสวะนี่เ้าแบ่งออกเป็นสามหนึ่งกามาสวะอาสวะคือกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสอ่าโผฏฐัพพะนะนี่ถือว่าเป็นอาสวะทำให้คนเราต้องติดต้องหลงต้องเกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่สามารถที่จะหลุดไปจากภพได้ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสตัณหาได้เพราะติดใน ในอในกามอาสวะนั่นเองนะอาสวะคือกามคือไข้ไข้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างถึงทําให้เกิดยึดมั่นตัำหาอุปาทานขึ้นนะก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิน้นที่สองภวาสวะก็คืออาสวะคือพบคือติดอยู่ในพบอยากอยู่ในพบนั้นพบนี้อยู่ที่ไหนสบายก็ไม่อยากจากไปติดที่อยู่ติดที่อาศัย อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เศร้าหมองปนะระ ก, การสุดท้ายอาวิชชาสวะอสวะคืออวิชชาคือความโมกข์เขลาเบาปัญญาไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงของสังขารไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงของโลกของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเคลื่อนตั้งอยู่ดับไปไม่จรังยั่งยืนนี่แหละการที่เราไม่รู้เออย่างนี้เจึงทําให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏจนนับไม่ถ้วนแต่ว่าการที่เราทําอสวะให้สิ้นไปนั้น ก็เท่ากับว่าเราสิ้นพบสิ้นชาติรู้จบทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็ถึงที่สุดก็คือนิพพาน น, า น, นี่ก็เป็นเรื่องของอภิญญาหกพอเป็นแนวทางย่อๆทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าคำว่าทิพะจักขุห้ากับทิพะจักขุในอภิญญาหกในอิญญาหกต่างกันอย่างไร อันนี้เราบอกว่าต่างกันเขาถามว่าต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรเราบอกว่าเหมือนกันโดยอัดต่างกันโดยคุณสมบัติคือทิฏฐจักขูในปัญญาหกนั้นเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอ่าและเป็นคุณสมบัติในสาวกองค์อื่นๆด้วยส่วนทิฏฐจักขูห้านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ทั่วไปแก่สาวกองค์อื่นๆนี่เราตอบได้เลยแล้วถ้ามีคําถามว่าเจโตปริยานนั้นมีนิเทศว่าอย่างไร อาผู้มีเจโตปริยานเป็นองค์สมบัติมีประโยชน์อย่างไรออันนี้เราก็ตอบว่ามีนิเทศว่ากําหนดด้วยใจของตนแล้วรู้ได้ซึ่งใจของบุคคลอื่นอันบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองอย่างไรผู้มีเจโตปริยานเป็นองค์สมบัติย่อมมีประโยชน์อย่างนี้คือการที่บุคคลมารู้ใจผู้อื่นนั้นย่อมเป็นประโยชน์ในเมื่อมีธุระซึ่งเกี่ยวกับเขาเกิดขึ้นเราก็จะแสดงคำแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้ารู้ว่า วิสัยจิตของเขาเป็นอย่างไรเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แสดงคำประเภทนี้ประเภทนั้นให้ถูกต้องกับนิสัยของเขาพระธรรมเทศนาหรือสิ่งที่ทำคําที่พูดนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในทันทีทันใดย่อมได้บรรลุมรรคผลนิ่ผ่านได้หรือสําเร็จในกิจที่ทำคําที่พูดนั้นอย่างแน่นอนเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาหกมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนะักศึกษา